ตอนที่หนึ่งร้อยสี่บเอ็ดชิงลงมือก่อนได้เปรียบผู้ตามตรงนะเห็นคุณมีชีวิตเป็นแบบนี้ในตอนนี้ฉันก็รู้สึกสะใจยอยู่เหมือนกันตอนที่พวกเรายังไม่อยากกันไม่ว่าฉันจะพูดอะไรคุณก็ไม่เคยเชื่อคุณเชื่อแต่คําพูดของแม่คุณตอนนี้ในที่สุดคุณก็รู้ซึ้งเสียทีว่าแม่ของคุณเป็นคนยังไงและความทุกข์ทรมานที่ฉันได้รับในช่วงหลายปีนั้นหลีชิงถิงพูดค้างไว้เพียงครึ่งหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาจริงๆแล้วมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้ว เรื่องของครอบครัวคุณไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันทั้งนั้นตอนนี้ฉันแค่ต้องการใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวให้ดีพวกคุณอย่ามาทำลายความสงบสุขของพวกเราอ่ะมีก็เลยอืมนั่นสินะโจเจี้ยนเย่ยฝืนยิ้มอย่างขมขื่นมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วจริงๆสวรรค์ญญย่อมมีตาและลงโทษเองผมตั้งใจจะพาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดค่าครองชีพที่นั่นยังไงก็ถูกกว่าที่นี่เล็กน้อยหลีชิงพิงไม่ได้พูดอะไรเขาอยากจะกลับก็กลับไปไม่เกี่ยวกับนาง โจจี้นเย่กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะทําตัวเองทั้งนั้นแม้จะบอกว่าเวลาแต่งงานเราแต่งกับผู้ชายไม่ใช่แม่สามีแต่การมีแม่สามีที่ดีนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัวเล็กๆของคนทั้งคู่และสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสันดานคนลีชิงผิงในตอนนั้นลาด ท, ที่มองคนไม่ทะลุจึงต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีโจเจี้นเย่ถึงฉัน้นจะไม่ชอบหลิวเคอเคอแต่ยังไงนางก็อุตสาห์คลอดลูกสาวให้คุณแถมยังเพิ่มลูกชายให้คุณอีกคน ลูกเกิดมามีความผิดปกติแต่กําเนิดมันไม่เกี่ยวกับนางการที่คุณโยนนางกลับไปให้บ้านเดิมแบบนี้มันจะไม่ดูใจดําเกินไปหน่อยหรือลิชิงผิงเพียงแค่ทนดูไม่ได้เท่านั้นอย่างน้อยหลิวเคอเคอก็เคยรักคุณด้วยใจจริงตอนนี้คุณเองก็มีลูกสาวถ้าในอนาคตลูกสาวของคุณถูกคนอื่นปฏิบัติ ด, ด้วยแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงตอนนี้ผมไม่มีปัญญาจะเอาใจเขามาใส่ใจเราหรอกกลับไปผมต้องดูแลคนถึงสามคนทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูก โจจียนย่ยย่อมอยากดูแลหลิวเครอรเคอแต่เขาไม่มีหนทางจริงๆหากเขาพานางกลับไปด้วยนั่นเท่ากับว่าเขาต้องดูแลคนถึงสี่คนเขาไม่มีเรี่ยวแรงขนาดนั้นหรอกไม่ว่าคุณจะมีหนทางดูแลหรือไม่แต่นั่นคือความรับผิดชอบของคุณตอนนี้คุณกําลังปัดความรับผิดชอบชัดๆโจเจีนเย่ยวิ่งมาขอโทษและบอกว่าเสียใจกับนางแต่สิ่งที่เขาทําอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่การทรยศริวเคอเคอร์หรือ ท้ายที่สุดแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็คำนึงถึงแต่ตัวเองเท่านั้นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดโจเจียนเยี่ยเด็กหญิงตัวน้อยในอ้อมแขนกับพริบตาโตใบหน้าของนางยังคงมีความคล้ายคลึงกับหลิวเคอเคออยู่มากลีชิงพิงไม่มีอะไรจะคุยกับโจเจียนเย่ยอีกเมื่อเขาเงียบลงนางจึงเตรียมจะพาเสี่ยวหวานกลับบ้านลี่หวานเองก็ก้าวเดินจากไปโดยไม่คิดจะอะไรอาวรแม้แต่น้อยผู้ชายสารเลวแบบนี้ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ โจเจียนเย่ยเหมอมองสองแม่ลูกเดินจากไปก่อนจะหลับตาลงแล้วถอนหายใจยาวกลับบ้านเลยไหมเจ้างิ้นชงที่นั่งอยู่ในรถข้างนอกคอยสังเกตการในร้านอยู่ตลอดโดยเฉพาะการจับตามองโจเจียนเยี่ยจนกระทั่งหลี่ชิงผิงเดินออกมาเขาจึงละสายตาและเปลี่ยนสีหน้าเป็นอ่อนโยนหรือว่าพวกเราจะไปเดินห้างสรรพสินค้าซื้อเสื้อผ้ากันดีออกมานานแล้วกลับไปดูลูกเถหลี่ชิงผิงเป็นห่วงลูกทั้งสองคนออกมานานเกินไปนางก็ไม่สบายใจ พอดีวันนี้ผมว่างหรือพวกเราจะไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้ากันหน่อยดีไหมเผื่อจะมีเสื้อผ้าใหม่ๆที่คุณถูกใจเจิ้งหยุนฉงกล่าวสำทับอีกครั้งเรื่องลูกคุณไม่ต้องกังวลหรอกที่บ้านมีคุณแม่กับคุณป้าอยู่พวกท่านดูแลเด็กๆได้ดีแน่นอนถ้าเสียวลิ้วหิวจริงๆก็ชงนมผงให้ดื่มได้แม่คะเสื้อผ้าที่แม่ใส่อยู่นี่ซื้อมาตั้งแต่สองปีก่อนแล้วนะตอนท้องแม่บอกว่าไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ตอนนี้คลอดน้องแล้วก็ควรซื้อชุดใหม่สักชุดนะคะค ลีหวานช่วยเสนออีกแรงอึ้มตกลงนั้นพวกเราไปห้างสรรพสินค้ากันเสียหวานเดี๋ยวถ้าเจออะไรที่ชอบพ่อจะซื้อให้ลูกเองรับทราบค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากคําพูดของหลีชิงผิงหรือไม่สุดท้ายโจเจีเจ้ยนเ ย, ย่ก็ตัดสินใจพาหลิวเคอเคอกลับบ้านเกิดไปด้วยไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นแม่แท้ๆของลูกเขาอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แม่ของหลิวเคอเคอก็ยอมให้เขาพานางไปอย่างง่ายดาย หากหลิวเคอเคอยังอยู่ที่บ้านลูกชายของนางก็จะแต่งงานไม่ได้ลูกสาวบ้านดีๆที่ไหนจะยอมพิจารณาลูกชายของนางลูกสาวกลายเป็นแบบนี้ล้วนเป็นเพราะทําตัวเองทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยหากนางมองโจวเจี้ยนเยี่ยให้ออกเร็วกว่านี้ก็คงไม่ลงเอ่ยเช่นนี้แม่ของหลิวเคอร์เคอทําหน้าที่ของตนจนถึงที่สุดแล้วในเมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้นางก็ต้องรับกรรมเอาเองฉันไม่มีข้อเรียกร้องอะไรจากคุณมากขอแค่คุณมีข้าวให้นางกินก็พอ ความเป็นความตายให้เป็นไปตามยถากรรมแต่อย่าได้ทำร้ายชีวิตนางเด็ดขาดผมไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกโจเจียนเย่ยขมวดคิ้วอธิบายตอนนี้คุณอาจจะไม่ทำแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ทำแม่ของหลิวเครอรเคอ์ไม่เชื่อใจเขาแต่ถึงไม่เชื่อตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เครอรเคอต้องไปส่วนลูกคุณต้องเลี้ยงดูให้เติบโตมาอย่างดีนะผมจะทำครับโจเจียนเย่ยกล่าวจบเขาก็พาหลิวเคอเคอจากไป แม่ของหลิวเคอร์เคอยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานลูกสาวจับไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แม่ลูกจะได้พบกันอีกโจเจี้นเยี่ยพาครอบครัวกลับไปยังหมู่บ้านส่วนชีวิตของหลีชิงผิงและหลีหวานยังคงดำเนินไปตามปกติไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเขาเลยแม้แต่น้อยฤดูหนาวเวียนมาอีกคราโรงเรียนของหลีหวานปิดเทอมเร็วนางจึงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ในเขตทหารที่เจิ้งหยุนชงได้รับจัดสรรมาห้องที่นางอยู่นั้นใหญ่และกว้างขวางที่สุดในบ้านจนหลีหวานรู้สึกเสียดาย ปกตินางไม่ค่อยได้กลับมาอยู่ห้องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยว่างไว้ก็น่าเสียดายสู้ยกให้น้องชายทั้งสองคนยินดีกว่าในกระบวนการเติบโตสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดก็คือแสงแดดเจ้าพวกเด็กแสบไม่คู่ควรกับห้องดีๆแบบนี้หรอกเจิ้งหยุนชมปฏิเสธทันควันห้องนี้ต้องเก็บไว้ให้ลูกเท่านั้นลีชิงพิงยิ้มพลางกล่าวตอนย้ายมาใหม่ๆพ่อเขาก็บอกเลยว่าห้องนี้เป็นของลูกตอนนี้น้องชายทั้งสองคนอย่างเล็กถ้าจะให้แยกไปนอนเองอย่างน้อยก็ต้องรออีกหลายปี ต่อให้อีกหลายปีห้องนี้ก็ยังเป็นของเสียหวานห้องข้างๆสองห้องนั่นต่างหากที่เตรียมไว้ให้พวกเขาสองคนเจิ้นหยุนชงวางแผนไว้หมดแล้วห้องที่เขาและหลีชิงผิงนอนอยู่ทางทิศตะวันออกสุดซึ่งเงียบสงบที่สุดงั้นหนูขอเอาของไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาคุณปู่คุณยา่าค่ะหลี่หวานเห็นว่าที่บ้านไม่มีอะไรต้องทําแล้วจึงวิ่งไปหาผู้เท่าทั้งสองไปเถอะจ้าตอนเย็นพวกเราทุกคนจะไปกินข้าวที่บ้านคุณปู่คุณย่าของลูกนะ ลีชิงผิงและเจิ้งหยุนชงเองก็ตั้งใจจะตามไปทีหลังเช่นกันค่ค่ะได้เลยหลีหวันคุยกับเจ้าชุนฮาวาและคนอื่นๆถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องที่ตอนนี้นางได้ตามาศาสตราจารย์ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแล้วและยังมีเพื่อนนักเรียนชายอีกคนหนึ่งก็คือเหวินโม่เจ้าชุนฮาวาฟังอย่างตั้งใจเพื่อนนักเรียนชายคนนี้อายุเท่าไหร่นักเรียนในห้องของลูกส่วนใหญ่แก่กว่าลูกใช่ไหมใช่ค่ะพวกเขาแก่กว่าหนูประมาณสี่ห้าปีได้ หรือวนโนพยักหน้ายังไม่เข้าใจความหมายที่ย่าต้องการสื่อในตอนแรก 4-5 หปีก็ได้อยู่ช่องว่างระหว่างอายุไม่มากเกินไปเจ้าชุนฮวาพยักหน้าพลางครุ่นคิดแล้วเหวินโมคนนี้หน้าตาเป็นยังไงฟังจากชื่อแล้วรู้สึกว่าที่บ้านน่าจะเป็นคนมีการศึกษาทีเดียว